ท่านเทศอัศจรรย์ครั้งสุดท้ายวันมาคาบูชาเดือนสามเนพนพศ .2492 ก่อนท่านจะเริ่มป่วยเล็กน้อยวันนั้นท่านเริ่มเทศในเวลาสองทุ่มจนถึงเวลาหกทุ่มเที่ยงคืนรวมเป็นเวลาสี่ชั่วโมงอำนาจธรรมที่ท่านแสดงในวันนั้นเป็นความอัศจรรย์ประจักษ์ใจของพระธุดงที่มารวมคันอยู่เป็นจนวนมากโดยทั่วกันประหนึ่งโลกธาตุดับสนิทไม่มีอะไรเหลืออยู่เลย ปรากฏแต่กระแสธรรมท่านแผ่ครอบไปหมดทั่วไตรโลกธาตุโดยยกพระอระหันต์หนองรองค์ที่ต่างมาเองสู่ที่ประชุมณพุทธสถานโดยไม่มีใครอารัตนานิมนต์หรือนัดแน่ขึ้นแสดงว่าท่านเป็นวิสุทธิบุคคลล้วนๆไม่มีคนมีกิเลสเข้าสับปนเลยแม่คนเดียวการแสดงอุวาทปฏิโมกข์พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอง เป็นวิสุทธิอุโบสถคืออุโบสถในถ้ำกลางแห่งบุคคลผู้บริสุทธิ์ล้วนๆไม่เหมือนพวกเราซึ่งแสดงปฏิโมกในถ้ำกลางแห่งบุคคลผู้มีกิเลสล้วนๆไม่มีบุคคลผู้สิ้นกิเลสสับปนอยู่เลยแม้คนเดียวฟังแล้วน่าสลดสังเวชอย่างยิ่งที่พวกเราก็เป็นคนผู้หนึ่งหรือเป็นพระองค์หนึ่งในความเป็นศักกยบุตรของพระองค์ อ, องค์เดียวกันแต่มันเป็นเพียงชื่อ ไม่มีความจริงแฝงอยู่บ้างเลยเหมือนคนที่ชื่อว่าพระบุญเนนบุญและนายบุญนางบุญแต่เขาเป็นคนขี้บา่าพากแต่โทษและอาบัติใส่ตัวแทบก้าวเดินไปไม่ได้สมัยโน้นท่านทําจริงจึงพบแต่ของจริงพระจริงทําจริงไม่ปลอมแปลงตกมาสมัยพวกเรากลายเป็นมีแต่ชื่อเสียงเรืองนามสูงทรงจดพระอาทิตย์พระจันทร์แต่ความทําต่ํายิ่งกว่าขุมนรกเวจี G. แล้วจะหาความดีความจริงความบริสุทธิ์มาจากไหนเพราะสิ่งที่ทํามันกลายเป็นงานทอดผมกิเลสและบาปกรรมไปเสียมากมิได้เป็นงานถอดถอนกิเลสให้สิ้นประจักใจแล้วจะเป็นวิสุทธิโวสุทขึ้นมาได้อย่างไรกันโปรดมาเอาใจชื่อเสียงเพียงว่าตนเป็นพระเป็นเนนแล้วก็ลืมตัวโแต่ยกว่าตนเป็นผู้มีศีลมีธรรมแต่ศีลธรรมแท้จริงของพระของเนนตามพระาวาท์ของพระองค์แท้แทนั้นคืออะไร ก็ยังไม่เข้าใจกันเลยถ้าเข้าใจในอวัทปฏริโมกท่านสอนว่าอย่างไรนั่นแลคือองคศีนองคธรรมแท้ท่านแสดงย่อเอาแต่ใจกว่าว่าการไม่ทำบาตทั้งปวงหนึ่งการยังกุศลคือความฉลาดให้ถึงพร้อมหนึ่งการชาระจิตของตนให้พ่องแผ้วหนึ่งนี่แลเป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายการไม่ทาบาปถ้าทางกายไม่ทาแต่ทางวาจาก็ทาอยู่ ถ้าทางวาจาไม่ทำแต่ทางใจก็ทำและสั่งสมบาปันยังขําจนถึงเวลาหลับพอตื่นจากนอนก็เริ่มสั่งสมบาปต่อไปจนถึงขณะหลับอีกเป็นอยู่ทนองนี้โดยไม่ได้สนใจคิดว่าตัวทำบาปหรือสั่งสมบาปเลยแม้เช่นนั้นยังหวังใจอยู่ว่าตนมีศีลมีธรรมและคอยเอาแต่ความบริสุทธิ์จากความมีศีลมีธรรมที่ยังเหลือแต่ชื่อนั้นฉะนั้นจึงไม่เจอความบริสุทธิ์ หลบเจอแต่ความเศร้ามองวุ่นวายพายในใจอยู่ตลอดเวลาทั้งนี้ก็เพราะตนสแสวงหาสิ่งนั้นก็ต้องเจอสิ่งนั้นถ้าไม่เจอสิ่งนั้นจะให้เจออะไรเล่าคนเราสแสวงหาสิ่งใดก็ต้องเจอสิ่งนั้นเป็นธรรมดาเพราะเป็นของมีอยู่ในโลกสมมุติอย่างสมบูรณ์ที่ท่านแสดงอย่างนี้แสดงโดยหลักธรรมชาติของศีลธรรมทางด้านปฏิบัติเพื่อนักปฏิบัติได้ทราบอย่างถึงใจลําดับต่อไปท่านแสดงสมาธิปัญญาตลอดวิมุตติหลุดพ้นอย่างเต็มภูมิ และเปิดเผยไม่ปิดบงังลี้ลับอะไรเลยในวันนั้นแต่จะไม่ขออธิบายเพราะเคยอธิบายและเขียนลงบ้างแล้วขณะนั้นผู้ฟังทั้งหลายนั่งเงียบเหมือนหัวต่อตลอดกานไม่มีเสียงอะไรรบกวนธรรมที่ท่านกาลังแสดงอย่างเป็นที่เลยตอนสุดท้ายแห่งการแสดงธรรมท่านพู้ถวนองพูดที่วัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่ว่าการนี้เทศซ้าเท่าต่อไปจะไม่ได้เทศถนองนี้อีกแล้วก็จบลง คำนั้นได้กลายเป็นความจริงขึ้นมาดังท่านพูดไว้นับแต่วันนั้นแล้วท่านไม่ได้เทศนองนั้นอีกเลยทั้งเนื้อธรรมและการแสดงนานๆผิดกับครั้งนั้นอยู่มากหลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือนท่านเริ่มป่วยกระสากกระแสเรื่อยมาจนถึงวาระสุดท้ายแห่งขันเสียจนได้แม้ท่านจะได้รับความลำบากทางขันเพราะโรคภัยเบียดเบียนจนสุขภาพทรุดลงเป็นลำดับก็ตามแต่การบินทบาทฉันให้บาด และฉันมือเดียวที่เคยดำเนินมาท่านก็ยังอุตส่าห์ประกองของท่านไปไม่ยอมลดลาดปล่อยวางเมื่อไม่สามารถไปสู่สายบินธบาตได้ท่านก็พยายามไปเพียงครึ่งหมู่บ้านแล้วกลับวัดต่อมาญาติโยมและพระอาจารย์ทั้งหลายเห็นท่านลำบากมากก็ปรึกษากันตกลงขออาราธนานิมนต์ท่านไปแค่ประตูวัดเย่ากลับถ้าจะขออาราธนาท่านไว้ไม่ให้ไปเลยท่านไม่ยอม โดยให้เหตุผลว่าเมื่ อ, อยังพอไปได้อยู่ต้องไปฉะนั้นจำต้องอนุโลมตามท่านไม่ให้ขัดอัธยาศัยท่านเองก็พยายามไปไม่ยอมลดละความเพียรเอาเลยจนไปไม่ไหวจริงๆท่านยังขอบิทบาทบนสาราโรงฉันพยายามจนลุกเดินไม่ได้จึงยอมหยุดบินทบาทแม้เช่นนั้นยังขอฉันให้บาดและฉันมือเดียวตามเดิมเราคนดีต้องอนุโลมตามความประสงค์ท่านทุกระยะไป ด้วยความอัศจรรย์ในความอดทนของนักปราชาติอาชาในมายอมทิ้งลวดลายที่เคยเป็นนักต่อสู้ให้กิเลสยื้อแย่งแข่งดีได้เลยถ้าเป็นพวกเราน่ากลัวจะถูกหามลงมาชั้นจังหันนับแต่วันเริ่มรู้สึกว่าไม่สบายซึ่งเป็นที่น้าอับอายกิเลสที่คอยหัเราะเยอะคนไม่เป็นท่าอยู่ตลอดเวลาที่มันนอนคอยเฉียงให้กิเลสฝาดฟันหันแหลกอย่างไม่มีชิ้นดีอันเป็นที่น้าสังเวชเอานักหนาถ้ายังรู้สึกเสียดายดเรา ซึ่งเป็นคนทั้งคนที่คอยจะเป็นเขียงให้กิเลสฝันก็ควรระลึกถึงปฏิปทาของท่านอาจารย์ม่านตอนนี้ไว้บ้างเผื่อได้ยึดมาเป็นเครื่องมือป้องกันตัวในการต่อสู้กับกิเลสจะไม่กลายเป็นเขียงให้มันหมดทั้งตัวยังพอมีเครื่องหมายสัตบุรุษพุทธบริษัทติดตัวอยู่บ้านอาการท่านรู้สึกหนักเข้าโดยลําดับจนคนดีที่เกี่ยวข้องไม่พากันนิ่งนอนใจได้ตอนกลางคืนต้องจัดวาระการคอยรักษาท่านอย่างรับๆ คราวละสามสี่องค์เสมอแต่ไม่ได้เรียนให้ทาา่านทราบนอกจากท่านจะทราบทางภายในโดยเฉพาะเท่านั้นทางนี้เกรงว่าท่านจะห้ามม่ให้ทำโดยเห็นว่าเป็นภาระกังวลวุ่นวายเกินไปพระเนงคที่อยู่รักษาท่านตามวาระก็ให้อยู่ใต้ถุนคูดีท่านอย่า ง, งเงียบวาระละสองสามชั่วโมงตลอดรุ่งทุกคืนซึ่งเริ่มแต่ยังไม่เข้าพรรษาพอเห็นอาการท่านหนักมากก็ปรึกษากัน แล้วกราบเรียนขอถวายความปลอดภัยให้ท่านโดยมาข อ, อนั่งสมาธิภาวนาที่เสลียงข้างนอกกุฏิท่านคราวละสององค์ท่านก็อนุญาตจึงได้จัดให้พระอยู่บนกุฏิท่านครั้งละสององค์อยู่ใต้ถุนสององค์ตลอดไปไม่ให้ขาดได้นอกจากพระที่จัดเป็นวรรคไว้ประจําแล้วยังมีพระในวัดมารอบๆมองๆคอยสังเกตการอยู่เสมอไม่ได้ขาดตลอดคืนพอออกพรรษาแล้ว พระและครูบาอาจารย์ที่จำพรรษ า, ายอยู่ในที่ต่างๆก็ทยอยกันมากราบเยี่ยมและปฏิบัติท่านมากขึ้นเป็นลําดับอาการท่านรู้สึกหนักเข้าทุกวันไม่น่าไว้ใจท่านจึงได้ประชุมเตือนบรรดาศิลป์ให้ทราบในการที่จะปฏิบัติต่อท่านด้วยความเหมาะสมว่าการป่วยของผมจวนถึงวาระเข้าทุกวันจะพากันอย่างไรก็ควรคิดเสียแต่บัดนี้จะได้ทันกับเหตุการณ์ผมน่าต้องตายแน่นอนในคราวนี้ดังที่เคยพูดไว้แล้วหลายครั้ง แต่การตายของผมเป็นเรื่องใหญ่ของสัตว์และประชาชนทั่วๆไปอยู่มากด้วยเหตุนี้ผมจึงพเดียงท่านทั้งหลายให้ทราบว่าผมไม่อยากตายอยู่ที่นี่ถ้าตายที่นี่จะเป็นการกระเทือนและทำลายชีวิตสัตว์ไม่น้อยเลยสำหรับผมตายเพียงคนเดียวแต่สัตว์ที่จะพลอยตายเพราะผมเป็นเหตุนั้นมีจนวนมากมายเพราะคนจะมามากทั้งที่นี้ไม่มีตลาดแลกเปลี่ยนซื้อขายกัน น่าแต่ผมบวชมาไม่เคยคิดให้สัตว์ได้รับความลาบากเดือดร้อนโดยไม่ต้องพูดถึงการฆ่าเขาเลยมีแต่ความเมตตาสงสารเป็นพื้นฐานของใจตลอดมาทุกเวลาได้แผ่เมตตาจิตอุทิศส่วนกุศลแก่สัตว์ไม่เลืิกหนาโดยไม่มีประมาณตลอดมาเวลาตายแล้วจะกลายเป็นศัตรูคู่เวรแก่สัตว์ให้เขาล้มตายลงจากชีวิตที่แสนรักสงวนของแต่ละตัวเพราะผมเป็นเหตุเพียงคนเดียวนั้นผมทําไม่ลง อย่างไรขอให้นําผมออกไปตายที่สกลนครเพราะที่นั่นเขามีตลาดอยู่แล้วคงไม่กระเทือนชีวิตของสัตว์มากเหมือนที่นี่เพียงผมป่วยยังไม่ถึงตายเลยผู้คนพระเนนก็พากันหลังลายมาไม่หยุดหย่อนและนับวันมากขึ้นโดยลําดับซึ่งพอเป็นพยานอย่างประจักษ์แล้วยิ่งผมตายลงไปผู้คนพระเนนจะพากันมามากเพียงไรขอได้พากันคิดเอาเองเพียงผมคนเดียวไม่คิดคํานึงถึงความทุกข์เดือดร้อนของผู้อื่นเลยนั้น ผมตายได้ทุกการสถานที่ไม่อาไัยเสียดายร่างกายอันนี้เลยเพราะผมได้พิจารณาสาร้างเพ่องของมันตลอดท่วถึงแล้วว่าเป็นเพียงส่วนผสมแห่งธาตุรวมกันอยู่ชั่วระยะกาลแล้วก็แตกทําลายลงไปสู่ธาตุเดิมของมันเท่านั้นจะมาอาไล่เสียดายหาประโยชน์อะไรเท่าที่พูดนี้ก็เพื่อความอนุเคราะห์สัตว์อย่าให้เขาต้องมาพร้อมกันตายเป็นปาช้าผีดิบวางขายเกลื่อนอยู่ตามริมถนนถนทนทางอันเป็นที่น่าสมเพศเวทนาอนักหนาเลย ซึ่งยังไม่สุดวิสัยที่จะควรพิจารณาแก้ไขได้ในเวลานี้ฉะนั้นจึงขอให้รีบจัดการให้ผมได้ออกไปทันกับเวลาซึ่งที่ยังควรอยู่ในระยะนี้เพื่ออนุเคราะห์สัตว์ที่รอตายตามผมอยู่เป็นจานวนมากให้เขาได้มีความปลอดภัยในชีวิตของเขาโดยทั่วกันหรือใครมีความเห็นอย่างไรก็พูดได้ในเวลานี้ทางพระและญาติโยมรวมฟังกันอยู่เป็นจานวนมากไม่มีใครพูดขึ้น มีแต่ความสงบเงียบแห่งบรรยากาศที่เต็มปด้วยความผิดหวังดังบทธรรมท่านว่ายามปิดช่างนลภติินมปิดดกข่างปราถนาไม่สมหวังย่อมเป็นทุกข์คือท่านจะอยู่วัดน้องผือก็ต้องตายจะออกไปสกลนครก็ต้องตายไม่มีหวังทางนั้นที่ประชุมจึงต่างคนต่างเงียบหมดทางแก้ไขทุกประตูจึงเป็นอันพร้อมกันยินดีและตกลงตามความเห็นและความประสงค์ท่าน กีแรกญาติโยมบ้านน้องผือทั้งบ้านแสดงความประสงค์ว่าขอให้ท่านตายที่นี่เขาจะเป็นผู้จัดการศพท่านเองแม้จะทุกโจนข้นแค้นแสนเข็นเพียงแล้วก็ตามแต่ศรัทธาความเชื่อเลื่อมใสในครูอาจารย์ไม่ได้จนยังมีเต็มเปี่ยมในสันดานจึงขอจัดการศพท่านจนสุดความสามารถขาดดินไม่ยอมให้ใครดูหมิ่นเหยียดหยามว่าชาวบ้านน้องผือไม่มีความสามารถเผาศพท่านอาจารย์เพียงองค์เดียวก็ไม่ใหม่ ปล่อยให้เขาเอาท่านไปทิ้งเสียที่อื่นดังนี้ไม่ให้มีอย่างไรก็ขอพร้อมกันทั้งบ้านมอบกายถวายชีวิตต่อท่านอาจารย์องค์เป็นสระณะของชาวบ้านหนองผือจนหมดลมหายใจไม่ยอมให้ใครเอาท่านไปไหนจนกว่าชาวหนองผือไม่มีลมหายใจครองขันแล้วจึงจะยอมให้เอาท่านไปแต่พอได้ยินคาท่านให้เหตุผลโดยทําแล้วก็พากันแสดงความเสียดายโดยพูดอะไรไม่ได้ จำต้องยอมทั้งที่มีความเลื่อมใสและอลัยเสียดายท่านแทบใจจะขาดปราศจากลมหายใจในขณะนั้นจึงเป็นที่นาเห็นใจพี่น้องชาวหนองผือเป็นอย่างยิ่งและขอจารึกเหตุการณ์คือความเสียสละอย่างถึงเป็นถึงตายเพื่อถวายบูชาท่านอาจารย์ครั้งนี้ไว้ในหาไทยของผู้เขียนในานามท่านผู้ อ, อ่านทั้งหลายด้วยซึ่งคงจะมีความรู้สึกต่อพี่น้องชาวหนองผือเช่นเดียวกันวันประชุมนั้น มีครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่หลายท่านที่เป็นลูกศิษย์ท่านมาร่วมด้วยท่านอาจารย์เองเป็นผู้ชี้แจงเรื่องที่ไม่ควรให้ท่านอยู่วัดนองผือต่อไปด้วยเหตุดังที่เขียนผ่านมาแล้วเมื่อทั้งฝ่ายพระสงฆ์และฝ่ายชาวบ้านต่างทราบคำชี้แจงจากท่านในที่ประชุมด้วยกันและไม่มีใครคัดค้านแล้วก็ตกลงกันทำแคร่สาหรับถามท่านออกจากวัดนองผือไปสุโขทัวันที่กลายเป็นวันมหาเศร้าโศกโลกวันไหว เพราความวิโยคพลัดพรากจากสิ่งที่รักเลื่อมสายสุดจิตสุดใจก็ได้ระเบิดขึ้นแก่ชาวบ้านชาววัดอย่างสุโจกั้นไว้ได้นั้นคือวันที่ประชาชน ญ, ญาติโยมและพระสงฆ์จํานวนมากเตรียมแค่มารอรับท่านอาจารย์ที่บันไดกุดีหลังจากฉันเสร็จแล้วพร้อมกันเตรียมจะหามท่านออกไปสุพนครจุดนี้เป็นจุดที่เริ่มระเบิดหัวใจพี่น้องชาวหนองผือทั้งบ้านใกล้บ้านไกลที่ต่างมาแสดงความหมดหวังครั้งสุดท้าย ในบริเวณนั้นตลอดพระสงฆ์สามเณรเป็นจํานวนมากทั้งสองฝ่ายต่างเกิดความสลดสังเวชน้ําตาไหลซึมเป็นจุดแรกจุดที่สองขณะที่พระอาจารย์ทั้งหลายพยุงท่านอาจารย์ลงมาจากกุดีเพื่ออารัธนาขึ้นสู่แคร่และเตรียมเคลื่อนที่นี้เป็นตอนที่ปล่อยความเลื่อมใสายอะไรรักสุดประมาณที่อัดอั้นตันใจอยู่ภายในออกมาอย่างเต็มที่ทั้งหญิงทั้งชายตลอดพระเนร์นก็อดกลั้นน้าตาไว้ไม่ได้ จำต้องปล่อยให้เป็นไปตามความโศกตาดูนในขณะนั้นแม้ผู้เขียนเองซึ่งยังจะติดตามท่านออกไปด้วยก็ยังอดแสดงความไม่เป็นท่าออกมาไม่ได้เมื่อเห็นบรรยากาศเต็มไปด้วยความซบเซาเหงาหงอยอยู่รอบด้านทั้งเสียงร้องไห้สั่งเสียทั้งคําขอร้องอารัธนาวิงวอนท่านอาจารย์ขอให้ออกไปหายโรคหายภายัยจะได้ออกไปลมหาย ตายจากทําลายซากจากพวกญาติโยมที่กําลังรอคอยอยู่ด้วยความโศกสันต์กันแสงสุดที่จะอดกลั้นได้แทบหัวอกจะแตกตาอยู่แล้วเวลานี้ขอท่านในเมตตาสงสารสัตว์มากๆเพราะเห็นกต่ความยากจนบ้างเถิดที่ปวงข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดทุกข์มากแทบเหลือทนครั้งนี้เพราะสมบัติอรุณฆ่าที่เคยอุปถามรักษามาเป็นเวลาหลายปีได้หลุดมือพลัดพรกากจากไปสุดวิสัยที่จะกั้นกลางไว้ได้ เสียงร้องไห้รำพันด้วยความระทมขมขื่นราวกับคลื่นทะเลไหลซัดเข้ามาท่วมทับหัวใจตามรายทางที่ท่านผ่านไปคนทั้งบ้านทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กและผู้ใหญ่เหมือนจะถึงความมืดมิดเปิดชีพไปตามท่านกันทั้งบ้านตลอดต้นไม้ใบหญ้าที่ไม่มีวิญญาณรับรู้อะไรเลยก็เป็นประหนึ่งยุบย่อบกรอบเกรียมไปตามๆกันขณะที่ท่านเริ่มเคลื่อนจาก รมนิยสถานอันเป็นที่เกิดให้ความสุขสําราญแก่ท่านและประสงค์พร้อม้วยหมู่ชนจำนวนมากที่มาอาศัยพึ่งร่มเ ง, งาตลอดมาสถานที่นั้นจึงเป็นเหมือนวัดร้างขึ้นในทันทีทันใดทั้งที่มีพระอยู่จำนวนมากเพราะปราศจากต้นไม้ใหญ่ใบดกหนาที่เต็มด้วยความร่มเย็นผาสุขแก่ผู้มาอาศัยตลอดมาเสียงที่กําลังแสดงความระบมปวดร้าวของประชาชนผู้หวังมอบกายถวายชีวิตเพื่อกับพระศาสนา มีท่านอาจารย์เป็นองค์พยานซึ่งกำลังพลัดพรากจากไปอยู่เวลานี้เป็นเสียงที่จะอดสังเวชสงสารเหลือประมาณไม่ได้พอผ่านบ้านและเสียงพี่ไรรราพันที่แสนจะอดกลั้นความทุกข์ความสงสารไปแล้วต่างก็เดินระ ง, งมทุกไปตามหลังท่านแม้มีพระเนนและประชาชนนับเป็นจำนวนร้อยๆก็ล้วนมีหน้าอันเคร่งขรึมไม่มีท่านผู้ใดจะแสดงความเบิกบานแจม่มใส คงมีแต่ความระทมขมขื่นที่จําต้องกล่ำกลืนด้วยความฝืนอดฝืนทนไปตามๆกันตลอดทางเป็นความเงียบเงาเศร้าโศกของหมู่ชนที่ทางเดินไปเหมือนคนไร้ญาติขาดมิตรไม่มีใครพูดใครปุยเรื่องต่างๆแฝงขึ้นมาบ้างเลยต่างคนต่างเงียบแต่หัวใจเต็มไปด้วยความคลุ่นคิดไปในความหมดหวังทงั้งท่านและเรารู้สึกมีทางเดินแห่งวิถีของใจไปในทํานองเดียวกันว่าพวกเราเป็นพวกที่หมดหวัง ขออภัยเขียนตามความรู้สึกเท่ากับกําลังเอาท่านอาจารย์ไปทิ้งทั้งที่ท่านยังครองขันอยู่อย่างไม่สงสัยการที่จะมีหวังได้ท่านกลับมาอีกนั้นคงเป็นไปไม่ได้แล้วยิ่งคิดยิ่งเศร้าแต่ก็เป็นเรื่องที่อดคิดไม่ได้ต่างคนต่างเดินไปตามทางด้วยความเหยียกเหงาเศร้าใจและคิดแต่เรื่องของความหมดหวังกันทั้งนั้นสาหรับผู้เขียนเองขอสารภาพตัวว่าไม่เป็นท่าเอาอยางมาก ตลอดทางมีแต่ความรำเพงรำพันทั้งความหมดหวังหมดที่พึง่งไม่มีที่อาศัยใดๆอีกแล้วเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาดังที่เคยเกิดอยู่เสมอไม่เว้นแต่ละวันระหว่างทางจากหนองผือถึงอำเภอพนานานิคมตลอดตามสายทางที่ไปนั้นราวหกร้อยเซนแม้เช่นนั้นก็ไม่ได้สนใจว่าใกล้หรือไกลสิ่งที่สนใจอย่างฝังลึกก็คือความอาลัยอาวรณ์ยังไม่อยากให้ท่านจากไปในเวลานี้ เพราะเป็นเวลาที่ตนกำลังอาการหนักมากเกี่ยวกับปัญหาทางภายในคิดวนไปเวียนมาก็มาลงเอยที่ความหมดหวังไม่มีทางสืบต่อกันได้เลยมีแต่คิดว่าต้องหมดหวังท่าเดียวอาการของท่านรู้สึกสงบมากตลอดทางที่ไกลแสนไกลไม่ได้แสดงอาการใดๆเลยเหมือนคนนอนหลับเราดีๆนี่เองทางที่ท่านไม่ได้หลับพอไปถึงสถานที่มีป่าไม้ร่มเย็นสาหรับคนหมู่มาก ก็ขออาราธนาท่านพักชั่วคราวสิ่งที่ไม่คาดฝันได้เกิดขึ้นอีกวาระหนึ่งจากความอดทนทนไม่ได้คือทั้งน่ารักทั้งน่าสงสารทั้งอะไรอ้อยอิงเวลาท่านถามออกมาว่ามาถึงไหนแล้วดังนี้ทำไมจึงภัร่ะอสาบซึ่งจับใจเอานักหนาและเป็นเหมือนท่านไม่ได้เป็นอะไรเลยทุนหัวทุนกระหม่อมจอมไตรพกจะสลัดปะทิ้งคนอนาถาที่กาลังหายใจอยู่ แต่หัวใจจะขาดดิ้นอยู่ขณะนี้ไปเสียแล้วหรือดวงหทไทยที่บริสุทธิ์ซึ่งเคยเต็มได้วยเมตตาอนุเคราะห์ให้พอหายใจได้ตลอดมาได้ทอถอนกลับเขินสู่ความไม่มีอะไรเหลืออยู่หมดแล้วหรือขณะนั้นความรู้สึกได้เกิดขึ้นทันทีทันใดใครจะว่าเป็นบ้าก็ยอมพราะว่าเป็นจริงในท่านอาจารย์องค์นี้เป็นบ้าขณะตายแทนท่านไดเล ย, เลยโดยไม่มีอุทธรรนใจในชีวิตของตัวเอาเลย ขอแต่ท่านแสดงความประสงค์จะเอาอะไรด้วยในตัวของเราจะไม่มีคำว่าเสียดายชีวิตเลยจะมีแต่คำว่าพร้อมอยู่แล้วที่จะพลีชีพทุกขณะเท่านั้นไม่มีคำเป็นอุปสรรคเข้ามาแฝงได้อย่างเด็ดขาดแต่สุดวิสัยแม้จะขอถวายอะไรท่านก็ไม่อาจรับได้เพราะในโลกฐาตนี้ต้องเดินสายทางเดียวกันไม่มีทางเปลีและออกจากคาว่าเกิดแล้วต้องตายจะเป็นอื่นไปไม่ได้เลย การออกเดินทางแ ก, กวัดน้องผือเริ่มแต่เวลาประมาณ9้านาฬิกามุ่งหน้าไปพักวัดบ้านผู้อำเภอพนานานิคมจังหวัดสกนครชั่วระยะก่อนพอท่านหายเหนื่อยบ้างแล้วเดินทางต่อไปสกนครไปถึงวัดบ้านผู้ราวสิบเจ็ดนาฬิกากว่าๆยังไม่มืดการเดินทางกินเวลาหลายชั่วโมงเพราะเดินอ้อมเขาเพื่อความสะดวกสำหรับองค์ท่านและคนแก่ที่พยายามตะเกียกตะกายตามทงท่าน มีมากทั้งหญิงทั้งชายพอไปถึงวัดบ้านผูนแล้วก็อารัธนาท่านเข้าพักที่ศาลาที่เตีย้ย<ๆ>เพื่อสะดวกแก่การถวายการอุปถัมภารักษาตลอดประชาชนพระเนนที่มากราบเยี่ยมอาการท่านความสะดวกนับแต่วันอารัธนาท่านไปพักที่นั้นอาการมีแต่ซุดลงโดยลำดับประชาชนพระเนนก็หลั่งไหลมาม า, มากเต็มไปหมดทั้งเชา้าทั้งบ่ายและเย็นตลอดกลางคืน เพราะใครก็หิวกระหายอยากมาเห็นหน้าและกราบเยี่ยมท่านซึ่งจำนวนมากไม่เคยเห็นหน้าท่านเลยได้ยินแต่ชื่อเสียงกิติศัพดิ์กิติกุลคุเล่าเลยกันว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์ทั้งองค์ในสมัยปัจจุบันไม่สงสัยและกำลังจะนิพพานอยู่แล้วในเร็วๆนี้ใครมีวาสนาก็ได้เห็นท่านใครไม่มีวาสนาก็เกิดมาตายเปล่าจึงต่างก็อยากมากราบไหว้บูชาพอเป็นขวัญตาขวัญใจ ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์กับโลกเขาทั้งคนอย่าให้เสียชาติวศาสนาไปเปล่าๆเลยพอช้าวันหลังท่านถามว่าเมื่อรายจะพาผมไปสกลนครผมไม่ได้ตั้งใจจะมาตายที่นี้ต้องพาผมไปสกลให้ได้อย่ารอไว้นานพระอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ท่านก็เรียนถวายว่ารอให้ท่านอาจารย์พอหายเหนื่อยบ้างแล้วจะราตนาไปสกลนครตามความประสงค์ท่านก็หยุดไปบ้าง พอวันหลังก็เริ่มถามอีกท่า น, นองที่เคยถามแล้วพระอาจารย์ก็เรียนถวายท่านท่านก็หยุดไปเป็นระยะวันหลังก็ถามอีกจะพาผมไปสกลเมรัยอย่ารอช้าจะไม่ทันเวลาที่อาราธนาท่านมาพักวัดนั้นราวสิบวันนแต่เวลาล่วงไปสี่ห้าวันแล้วท่านเร่งให้พาท่านไปสุลนครวันหนึ่งหลายครั้งพระอาจารย์ทั้งหลายก็นิ่งบ้างเรียนถวายท่านบ้างท่านก็เร่งแรดหัวบ้างว่า จะให้ผมตายอยู่ที่นี่เชียวหรือผมบอกแล้วแต่ต้นทางก่อนจะมาว่าผมจะไปตายที่สกลนครนี้ก็โจนเต็มทีแล้วรีบพาผมไปอย่ารอนานในสามคืนสุดท้ายท่านเร่งใหญ่มีแต่จะให้พาไปสุลนครโดยถ่ายเดียวเฉพาะคืนสุดท้ายท่านไม่ยอมพักหลับเลยและเรียกพระมาด้วยอาการรีบด่วนเป็นเชิงบ่งบอกอย่างชัดแจ้งว่าท่านจะไม่สามารถทรงขันอยู่ต่อไปอีกได้ ให้รีพาท่านไปในคืนวันนั้นเพื่อทันกับเวลานอกจากนั้นยังบอกให้พระพยุงท่านนั่งคัดสมาธิหันหน้าไปทางสกลนครพอออกจากสมาธิก็บอกพระว่าให้เตรียมพาท่านไปนไปสกลนครในคืนวันนั้นพวกเราต้องไปตามพระผู้ใหญ่มาเรียนท่านว่าพรุ่งนี้เช้าจะรัตนาท่านไปสกลนครตามความประสงค์ท่านจึงสงบลงบ้านแต่ไม่ยอมนอนและบอกอย่างไม่ปิดบังด้วยว่า ผมชวนเต็มที่แล้วจะรอต่อไปไม่ได้ถ้าได้ไปในคืนนี้ยิ่งเหมาะจะได้ทานกับเหตุการณ์ซึ่งกำลังเร่งรัดอยู่อย่างเต็มที่ผมไม่อยากจะแบกขันซึ่งเป็นไฟทั้งกองอยู่นี้อยู่นานอยากจะปล่อยทิ้งเสียให้หายกังวลในขันอันเป็นกองแห่งมหันตุกความกังวลอันใหญ่หลวงนี้ผมชวนเต็มที่แล้วพวกท่านยังไม่ทราบหรือว่าผมจะตายในรเร็วๆนี้จ้าผมไว้ให้ทรมานขันโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรอีก เหตุผลก็ได้ชี้แจงให้ฟังจนเป็นที่เขอใจกันหมดแล้วถึงได้มาที่นี้แต่แล้วทําไมจึงยังขืนเอาผมไมาอีกล่ะที่นี่เป็นสกุลนครหรือทําไมไม่รีบพาผมไปจงรีบพาผมไปเดี๋ยวนี้รอไว้ทําไมกันอีกคนตายแล้วทําเป็นปลาราหรือน้ําปลาได้หรือผมบอกแล้วว่าเวลานี้ธาตุขันผมเต็มทนแล้วจะทนอยู่ต่อไปอีกไม่ได้ยังไม่มีใครสนใจฟังและปฏิบัติตามที่ผมบอกอยู่หรือ คำพูดขนาดนี้ยังไม่พากันฟังเสียงเลยแล้วพวกท่านจะไปหาของจริงจากอะไรที่ไหนกันถ้ายังพากันดือ้อทั้งที่ผมยังมีชีวิตอยู่แล้วไม่พากันเชื่อฟังต่อหน้าต่อตาเช่นนี้เวลาผมตายไปแล้วพวกท่านจะเป็นคนดีมีเหตุผลจากอะไรคำพูดทั้งหมดนี้ผมพูดด้วยเหตุผลที่ตรองทราบว่าเป็นความจริงล้วนแล้วแต่พวกท่านยังขืนดื้อไม่ทาตามผมรู้สึกจะหมดความหวังกับพวกท่านในอนาคตว่า จะเป็นผู้สามารถทรงศาสนาไปได้ด้วยความมีเหตุผลได้อย่างไรกันท่านเอาหนักมากในคืนสุดท้ายทั้งไม่ยอมหลับนอนอีกด้วยที่ท่านไม่ยอมหลับนั้นอาจเป็นเพราะเวลาหลับไปน่ากลัวจะเตลิดเลยก็ได้พวกเราที่อยู่ด้วยกันมากต่อมากไม่มีใครสามารถทราบความมุ่งหมายท่านตอนนี้เลยต้องเราเอามาลงถ้าผิดไปจากความจริงก็กรุณาอาภัยด้วยตอนเช้าเราเจิตนาฬิกากว่า รถแขวงการทานสุกนครก็มารับท่านพอดีโดยมีคุณแม่นุ่มชวานนเป็นผู้นำหน้ามาอาราธนานิมน์ท่านให้ไปสุกนครท่านก็รับคําทันทีมีเพียงพูดว่ารถมากี่คันจะพอกับพระเนรจนวนมากซึ่งจะติดตามไปด้วยหรือเปล่าเท่านั้นเขาเรียนท่านว่ามีรถมาสามคันแม้พระท่านไปไม่หมดก็จะขอมารับท่านประจนหมดทุกองค์ที่ท่านประสงค์จะไปท่านทราบแล้วนิ่ง พอฉันเสร็จแล้วหมอก็เตรียมฉีดยานอนหลับถวายท่านเพื่อกันความกระเทือนเวลารถวิ่งเพราะทางไม่ดีเลยสมัยนั้นครุขระเต็มไปด้วยหลุมด้วยบ่อพอฉีดยาถวายแล้วก็อาราธนาท่านขึ้นนอนบนแคร่หามออกไปขึ้นรถซึ่งจอดรออยู่ฟากทุ่งนางเข้ามารับไม่ได้หลังจากฉีดยาถวายแล้วราวสิบนาทีท่านก็เริ่มหลับและเริ่มออกเดินทางตรงไปยังไปจังหวัดสกลนคร ถึงโน้นเที่ยงวันพอดีเมื่อถึงสกลนครเรียบร้อยแล้วก็อาราธนาท่านลงจากรถและขึ้นพักบนคุดีวัดสุทาวาสโดยที่ท่านกำลังหลับอยู่และหลับไปจนถึงเที่ยงคืนคือหกทุ่มจึงเริ่มตื่นพอตื่นจะหลับขึ้นมาไม่นานนักราวตีหนึ่งนาฬิกาอาการที่ท่านเคยพูดซ้ำๆ ซ, ซ, ซักๆให้บรรดานลูกศิษย์ที่ชักหูตึงและใจสับสนวุ่นวายฟัง ก็เริ่มแสดงให้เห็นชัดขึ้นทุกระยะเหมือนจะบอกว่านี่นะท่านทั้งหลายเห็นหรือยังที่ผมเคยบอกไม่หยุดปากว่าแฮรีพาผมมาสกลนครจะได้รีบปลดปล่อยสิ่งรกรุงรังที่เต็มพรดมหันตทุกออกให้หมดในรเร็วๆนี้ซึ่งบัตรนี้เริ่มแสดงอาการขึ้นมาแล้วถ้ายังไม่เห็นก็จงพากันดูและถ้าไม่เชื่อคาที่ผมบอกตลอดมาก็จงพากันฟังและดูเสียให้เต็มตาและคิดให้เต็มใจ ที่ผมพูดแล้วกับสิ่งที่กําลังเห็นประจักษ์ตาอยู่เวลานี้เป็นความจริงดังที่เคยพูดไว้หรือเปล่าต่อไปจงอย่าพากันเป็นพระหูกระทะตาไม่ไผ่ใจไม่มีความรู้สึกนึกคิดไตร่ตรองดังที่เคยเป็นมาแล้วจะเป็นคนใจจืดจางว่างเปล่าจากสติปัญญาเครื่องไตรตรองแล้วจะหาทางเอาตัวรอดไปไม่ได้เรื่องที่กําลังเกิดอยู่ขณะนี้เป็นต้นเหตุจงพากันคิดอ่านอย่านอนใจดังนี้ ขณะที่ท่านเริ่มแสดงอาการลาขันคือพาราฮเวปัญจขันธาอันเป็นกองมหันตทุกข์ในโลกสมุทรที่นักปราทั้งหลายไม่พึงปรารถนาอยากพบผินอีกต่อไปเป็นเวลาดึกสงัดปราศจากเสียงและผู้คนผูุกพลา่านแต่ไม่นานนะักก็เริ่มเห็นครูบาอาจารย์มีท่านเจ้าคุณธรรมเจดีวัดโพธิสมพรอุดรธานีเป็นต้นทยอยกันมากุยดีท่านด้วยอาการรีบร้อนนับแต่ขณะที่พระปรินิพพ์ท่านอาจารย์ให้ทราบ พระอาจารย์ทั้งหลายก็รีบพร้อมกันนั่งอย่างท่านที่เคยเห็นภายมาแล้วด้วยท่าอันสงบแต่ใจต่าง ม, มีความรุ่มร้อนอ่อนใจกระวนกระวายไปตามอาการที่กําลังแสดงอยู่อย่างสะดุดตาสะดุดใจไม่ลดละในขณะนั้นราวกับจะเตือนให้เห็นชัดว่าจะต้องผ่านไปนาทีใดนาทีหนึ่งในโรวเร็วนี้อย่างแน่นอนการนั่งดูอาการท่านนั่งเป็นสามแถวแถวแรกเป็นพระผู้ใหญ่มีท่านเจ้าคุณธรรมเจดีเป็นประธาน และพระอาจารย์รองลำดับออกมาจนถึงสามัเณรต่างนั่งด้วยท่าอันสงบอย่างยิ่งตาจับจ้องมองดูอาการท่านราค่า ว, ว่าลืมแล้วหลับไม่ลงริมตาล่างเยื่อโปรดงน้ำตาที่สุดโอดกลัน่นด้วยความอาลัยอาวรย์ยับอกไม่ถูกต่างตกอยู่ในตรอกแห่งความสิ้นหวังไม่มีทางแก้ไขหัวใจมีก็สูดลมไปพอถึงวันของเขาเท่านั้นองค์ท่านเบื้องต้นนอนสีห์หายาดือตะแคงข้างขวา แต่เห็นว่าท่านจะเหนื่อยเลยค่อยๆดึงหมอนที่หนุนอยู่ข้างหลังท่านออกนิดหนึ่งเลยกลายเป็นท่านอนงายไปพอท่านรู้สึกก็พยายามขยับตัวกลับคืนท่าเดิมแต่ไม่สามารถทำได้เพราะหมดกำลังพระอาจารย์ใหญ่ก็ช่วยขยับหมอนที่หนุนหลังท่านเข้าไปแต่ดูอาการท่านรู้สึกเหนื่อยมากเลยต้องหยุดกลัวจะกระเทือนท่านมากไปดังนั้นการนอนท่านในวรสุดท้ายจึงเป็นท่าหงายก็ไม่ใช่ ท่าตะแคงข้างขวาก็ไม่เชิงเป็นเพียงท่าเอียงๆอยู่เท่านั้นพระสุดวิสัยที่จะแก้ไขได้อีกอาการท่านกำลังดําเนินไปอย่างไม่หยุดยัง้งบนรดาเศษซึ่งโดยมากมีแต่พระกับเนนคราว่าต์มีน้อยที่หนั่งอาลัยอาวรด้วยความหมดหวังอยู่ขณะนั้นกระหนึงลืมหายใจไปตามๆกันรกพราะจิตเพราะว่าพระวงค์อยู่กับอาการท่านซึ่งกํนนาลังแสดงอย่างเต็มที่เพื่อถึงวารสุท้าอยู่แล้วลมหายใจท่านปรากฏ ค่อยอ่อนลงทุกทีและละเอียดไปตามๆกันผู้น่งดูลืมกระพริบตาเพราะอาการท่านเต็มด้วยความหมดหวังอยู่แล้วล่มค่อยอ่อนและช้าลงทุกทีจนแทบไม่ปรากฏวินาทีต่อไปลงก็ค่อยๆหายเงียบไปอย่างละเอียดสุขุมจนไม่มีใครสามารถรู้เลยว่าท่านได้สิ้นไปแล้วแต่วินาทีใดเพราะอวัยวะทุกส่วนไม่ได้แสดงอาการผิดปกติเหมือนสามัญ ท, ทั่วไปเคยเป็นกัน ต่างคนต่างสังเกตจ้องมองจนตาไม่กระพริบสุดท้ายก็ไม่ได้เรื่องพอให้สะดุดใจเลยว่าขณะท่านลาขันลาโลกที่เต็มไปด้วยความกังวลหม่นหมองคือขณะนั้นดังนี้พอเห็นท่าไม่ได้การท่านจะคุณธรรมเจดีพูดเป็นเชิงไม่แน่ใจขึ้นมาว่าไม่ใช่ท่านสิ้นไปแล้วหรือพร้อมกับยกนาฬิกาขึ้นดูเวลาขณะนั้นเป็นเวลาตีสองนาฬิกายี่สิบสามนาที จึงได้ถือเวลานั้นเป็นเวลามรณภาพของท่านพอทราบว่าท่านสิ้นไปแล้วท่านนั้นมองดูพระเนรที่กำลังนั่งรุมล้อมท่านอยู่เป็นจนดนมากเห็นแต่ความโศกเศร้าเหงาห่อยและน้ำตาบนใบหน้าที่ไหลซึมออกมาทั้งไอทั้งจามทั้งเสียงบนพึมพำไม่ได้ถ้อยใ้ความใครอยู่ที่ไหนก็ได้ยินเสียงอุบอิบพึมพำทั่วบริเวณนั้นบรรยากาศเต็ไมไปด้วยความเงียบเหงาเศร้าใจยังบอกไม่ถูก เราก็เหลือทนท่านผู้อุนก็เหลือทนปรากฏว่าเหลือแต่ร่างครองตัวอยู่เวลานั้นต่างองค์ต่างนิ่งเงียบไปพักหนึ่งเรากับโล ก, กาธาตุได้ดับลงในขณะเดียวกับขณะที่ท่านอาจารย์ลาส ม, มุติคือขันก้าวเข้าสู่แดงเกษมไม่มีสมมุติความกังวลใดๆเข้าไปเกี่ยวข้องวุ่นวายอีกผู้เขียนแทบหัว อ, อกจะแตกตายไปกับท่านจริงๆเวลานั้น ทำให้รำพึงรำพันและอันอันอ้นตันใจไปเสียทุกอย่างไม่มีทางคิดพอขยับขยายจิตที่กําลังว้าวุ่นขุนเป็นตมเป็นโคลนไปกับการจากไปของท่านพอให้เบาบางลงบ้างจากความแสนรักแสนอะไรอาวรที่สุดจะกล่าวที่ท่านว่าตายทั้งเป็นเห็นจะได้แก่คนไม่เป็นท่าคนนั้นนั่นแหลพอความเงียบสั่งซาลงบ้างพระผู้ใหญ่ก็สั่งให้จัดที่นอนให้เรียบร้อย และอารัธนาท่านให้นอนอยู่กับที่ที่ท่านมรณาภาพไปก่อนพรุ่งนี้เช้าค่อยพิจารณาปรึกษาหารือกันใหม่หลังจากนั้นครูบาอาจารย์พระเนนก็ทยอยกันออกจากห้องท่านลงไปอยู่ข้างล่างบ้านยังอยู่เฉลียงนอกห้องบ้านมีตะเกียงเจ้าพายุจุดอยู่อย่างสว่างสวายทั่วบริเวณแต่บรรดาศิษย์กลับมืดมนอุนทการเหมือนมืดมิดปิดตาไม่รู้ทางออกทางเข้าทางไปทางมา เรากับถูกวางยาสรบให้ง่วงงุนวกเวียนอยู่ที่นั้นหนีไปไหนไม่ได้บางท่านเป็นลมเราจะสงบลมลงสิ้นใจไปพร้อมกับขณะท่านสิ้นลมเหมือนอะไรอะไรก็สิ้นสุดไปตามท่านเสียสิน้นเวลานั้นเกิดความโกลาหลโอนอลมานแบบไม่มีใครช่วยใครได้อย่างลึกซั้ในสมาคมมหาวิโยคพลัดพรากในยามดึกสงัดต่างองต่างหุ่ม ง, งามหลบคลไปตามความเสือส้อมทราลืมสติสตัง ไม่ได้กําหนดทิศทางเมื่อแจ้งอะไรเลยเพราะอํานาจความเสียใจไร้ชิ้นดีที่เกิดจากความพลัดพรากแห่งดวงประเทศที่เคยให้ความสว่างสวัยมาประจำชีวิตจิตใจได้ดับปุ๊สิ้นสุดลงต่อาจากความอบอุ่นชุ่มเย็นเหมือนก่อนมาราก็ว่าทุกสิ่งได้คาสบันฮันแลกเป็นจุนวิจุนไปเสียสิ้นไม่มีสิ่งเป็นที่พึ่งพอเป็นที่หาใจได้เลยมันสุดมันมุดมันด้านมันตีบตันอั้นตู้ไปเสียหมดภายในใจ รากับโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเป็นสาระพอเป็นที่เกาะของจิตผู้กําลังกระหายที่พึงได้อาศัยเกาะพอได้หายใจแม้เพียงวินาทีหนึ่งเลยทั้งที่สัตว์โลกทั่วไตรภพอาศัยการประจำภพบกําเนิดตลอดมาแต่จิตเรามันอาภาพอับวาสนาเอาอย่างไรนักหนาจึงเห็นโลกธาตุเป็นเหมือนยาพิษเอาเสียหมดในเวลานั้นไม่อาจเป็นที่พึ่งได้ประกฏแต่ท่านพระอาจารย์มั่นองค์เดียวเป็นชีวิตจิตใจเพื่อฝากอัดฝากธรำ แล้วฝากเป็นฝากตายทุกขณะลมหายใจเอาเลยส่วนพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์สาวกใจก็ไม่ปรากฏว่าประมาทหากแต่ท่านอยู่ลึกตามความรู้สึกในขณะนั้นไม่สามารถอาจเอื้อมรือฟื้นขึ้นมาเป็นที่พึงและเป็นสกีพยานได้อย่างใจหวังเหมือนท่านอาจารย์มั่นซึ่งท่านอยู่ตื้นตื้นทั้งเห็นเห็นและซึมทราบถึงจิตใจอยู่ทุกขณะที่ฟังท่านอบรมชี้แจงข้ออัดข้อธทำในเวลาสงสัยเรียนถามท่าน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาชนิดใดที่ตนไม่สามารถแก้ไขได้โดยลำพังพอแบกมาเรียนถวายท่านและท่านเมตตาอนุเคราะห์ชี้แจงให้เท่านั้นเป็นตกไปในทันทีทันใดไม่ได้เผาหล่นหัวใจอยู่ต่อไปนานเลยนี่เป็นจุดที่สลักลึกลงในหัวใจทําให้เกิดความกระเทือนใจมากเวลาท่านพลัดพรากจากไปเพราะไม่สนใจคิดว่าจะมีใครแก้ได้นอกจากท่านเท่านั้นแล้วใครจะมามีแก่ใจเมตตาแก่เรา และเราจะมีแก่ใจปเปลียนถามใครเล่านอกจากนับวันจะนั่งกรอดเขา่าเฝ้าความโง่และกองทุนของตนอยู่เท่านั้นไม่มีทางออกอย่าง ง, ง่ายๆเหมือนเวลาอยู่กับท่านคิดไปเท่าไรก็มีแต่ความอัดอั้นตันใจที่จะหาทางออกโดยลําพังอย่างปลอดภัยไร้ทุกข์ซึ่งไม่มีทางเอาเลยในความโง่ของตนขณะนั้นมีแต่ความระบมงมทุกข์อยู่ท่าเดียวนั่งอยู่เหมือนคนตายสิ้นท่าแห่งความคิดเพื่อเอาจะรอด ไม่มีความคิดใดที่จะพาไปสู่ความปลอดโปร่งโล่งใจได้เลยลืมเน็ดเลืมเหนื่อยลืมไวล่ำเวลานั่งรำพึงแบบคนตายทั้งที่ทยังหายใจอยู่ในชีวิตของพระเพิ่งมีเพียงครั้งนี้เป็นชีวิตใจที่ขุนโมกลัวทุกข์และว้าวุนา่นเอาหนักหนาที่ปราศจากผู้เมตตาช่วยเหลือเป็นชีวิตที่มืดมิดปิดตายหาทางออกไม่ได้เอาเลยตาจำเนึงไปเห็นองค์ท่านที่นอนปราศจากลมหายใจและความรู้สึกใดๆ ด้วยความสงบทีไรน้ำตาร่วงพลูยังไม่เป็นท่าทุกทีทางภายในลมสะอึกสะอื้นในหัวอกนุนให้เกิดความตีบตันขึ้นมาปิดคอหอยแทบจะไปเสียในขณะนั้นมีสติระลึกขึ้นมาชั่วขณะว่าเราจะไม่ขาดใจตายไปกับท่านเดี๋ยวนี้เสียหรือพยายามพร่ำสอนตอนว่าท่านตายไปได้วยความหมดห่วงหมดอาลายัยอันเป็นเรื่องของกิเลสโดยสิ้นเชิงแต่เราตายไปได้วยความห่วงความอาลายัยจะเป็นค่าศึกต่อตัวเอง ความอาลัยเสียดายและความตายของเราไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่เราและแก่ท่านเวลาท่านมีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้สั่งสอนให้เราคิดถึงท่านและตายกับท่านแบบนี้แบบนี้เป็นแบบที่แฝงอยู่กับโลกที่เขาใช้กันตลอดมาแม้จะมีทําในใจอันเป็นสาเหตุให้คิดถึงท่านแต่ก็ยังแฝงอยู่กับแบบของโลกที่เคยใช้กันยิ่งไม่ค่อยเป็นประโยชน์สําหรับนักบวชเฉพาะอย่างยิ่งคือตัวเราที่กําลังมุ่งทําขั้นนั้นอยู่อย่างเต็มใจจึงไม่ควรคิดอย่างยิ่ง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 ควรคิดและปฏิบัติตนตามแบบนี้จะสมกับว่าเรามาศึกษากับท่านเพื่อเหตุเพื่อผลอย่าทำความอาลัยเสียดายท่านแบบโลกมาขวางทำจะเป็นเสียน้ำแก่ตัวเปล่าๆจึงพอได้สติสตังคิดน้อมเอาธรรมยับยั้งฉโลมใจที่กำลังถูกมรสุพัดผันทั้งดวงและพอมีชีวิตรอดมาได้ไม่จมลงด้วยแบบไม่เป็นท่าเสียแต่ครั้งนั้นพอรุ่งเช้าทั้งพระผู้ใหญ่ทั้งข้าราชการทุกผแผนกในตัวจังหวัด ทราบข่าวมรณภาพของท่านอาจารย์แต่ก็รีบออกมากราบเยี่ยมศพท่านและปรึกษาหาเรือกิจการเกี่ยวกับศพท่านว่าจะควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อความเหมาะสมและเป็นการถวายเกียรติโดยกวนแก่ฐานะที่ท่านเป็นพระอาจารย์องค์สําคัญที่ประชาชนเคารพเลื่อมใสามากทั่วทัประเทศไทยพร้อมกับนําเรื่องท่านไปออกข่าวทางวิทยุและหนังสือพิมพ์เพื่อประชาชนที่เป็นลูกศิษย์และท่านที่เคารพเลื่อมใสในท่านซึ่งอยู่ในที่ต่างๆ ทั้งใกล้และไกลได้ทราบไปทั่วกันพอข่าวท่านมรณภาพกระจายไปถึงไหนทั้งประชาชนและพระเนรทั้งใกล้และไกลต่างพากําลังไหลายมากราบเยี่ยมศพท่านถึงที่นั้นไม่ได้ขาดนับแต่วันมรณภาพจนถึงวันถวายชาปนกิจศพท่านทั้งที่มากราบและมาค้างคืนโดยมากที่มาจากทางไกลก็จําต้องค้างคืนเพราะการคมนาคมไม่ค่อยสะดวกเหมือนทุกวันนี้ วัตถุทายทานที่ต่างท่านต่างนำมาถวายบูชาท่านมีมากต่อมากจนเหลือหูเหลือตาไม่อาจพร น, นานับได้นับแต่วันท่านเริ่มออกมาพักที่วัดบ้านผู้อำเภอพนนนานิคมเครื่องทายาทานที่มีผู้ศรัทธาในท่านนำมาถวายบูชาไม่ได้ขาดเลยเหมือนนะ้ำเหมือนท่าที่ไหลรินในฤดูฝนฉะนั้นตามปกติเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่เป็นผู้มีอติเลกลาบมากอยู่แล้ว ไม่ว่าท่านจะพักในปา่าในเขาหรือในที่เช่นไรย่อมมีเทวบุตรเทวธิดาผู้ใจบุญพยายามขวนขวายและด้นดันซอกซอนเข้าไปถวายท่านจนได้ปกตินิสัยท่านเป็นนักเสียสระอยู่แล้วมีมาได้มาเท่าไรท่านบำเพ็ญทานสงเคราะห์ไปเรื่อยๆไม่มีคำว่าตรณีที่เหนียวหรือเสียดายไม่ว่าวัตถุชนิดไรมีราคาต่าหรือสูงท่านให้ทานได้เสมอกันหมด พูดถึงความจนของพระก็น่าจะไม่มีท่านผู้ใดจนไปกว่าท่านการได้มาก็รู้สึกเด่นอยู่มากแต่ทางเข้าคือได้มากับทางออกคือการบริจาคทานรู้สึกกว้างเท่ากันหรือทางออกอาจกว้างกว่าซสอีกเราพอทราบได้เวลาได้มาแล้วไม่กี่วนันท่านให้ทานไปหมดเวลาไม่มีมาแต่บางโอกาสท่านอาจคิดอยากสงเคราะห์ผู้อื่นอยู่บ้างตามนิสยัยเป็นเพียงท่านไมออกปากพูดเท่านั้น ท่านไปพักที่ใดวัดแถวใกล้เคียงจะได้รับการสงเคราะห์โดยทั่วถึงฉะนั้นแม้ท่านพรนภาพแล้วข่าวไปถึงไหนสทายาโยงก็มักจะมาถึงนั้นพร้อมทั้งเครื่องบริจาคติดตัวมาด้วยเวลาตั้งศพท่านไ ว, สาา ว, ว้สาราวสุทาวาสจึงมีท่านผู้ศรัทธามาบริจาคทรบุญมิได้ขาดศพท่านทั้งฝ่ายพระผู้ใหญ่และข้าราชการเห็นต้องกันว่าควรเก็บไว้จนถึงเดือนสามข้างขึ้น คือต้นปีพศ2493ค่อยถวายชาปรรลิศพท่านด้วยเหตุนี้จึงได้พร้อมกันจัดหีบถาวรเพื่อบรรจุศพท่านในวันต่อมาเวลาบ่ายสี่โมงประชาชนพระเนนจนวนมากมายพร้อมกันส่งน้ำศพท่านเสร็จแล้วใช้ผ้าขาวผ้าพอพันองค์ท่านหลายชั้นภายนอกกีวอนที่ครองถวายเรียบร้อยแล้วอาณาเข้าในหีบศพถาวรหลังจากนั้นคณะสัทธามากท่าน มีท่านเจ้าคุณธรรมเจดีเป็นประธานเกลกษาการตกลงจัดให้มีการสวดมนต์ถวายท่านทุกคืนและมีการแสดงธรรมด้วยในวาระเดียวกันส่วนหีบศักท่านด้านหน้าฝีด้วยกระจกเพื่อท่านผู้มาแต่ไกล ย, ยังไม่เห็นองค์ท่านประสงค์อยากดูย่อมเป็นความสะดวกไม่เสียใจว่ามาถึงแล้วไม่ได้เห็นท่านการสวดมนต์ถวายท่านมีประชาชนและพระเนนมาร่วมพิธีวันละมากๆ งานคราวนี้ได้เห็นน้ำใจพี่น้องชาวสุโนครเราทั้งท่านข้าราชการทุกผแผนกตลอดพ่อค้าประชาชนทั่วนากันที่มีศรัทธาแข็งแรงและห้าวหาญในการบริจาคและเอาการเอางานในธุระหน้าที่ไม่มีความย่อท้ออ่อนแอเลยนับแต่วันท่านอาจารย์ไปถึงและมรณภาพจนถึงวันงานถวายชาปนกิจศพท่านพี่น้องชาวสุโนครเรา ต่างวิ่งเต้นโขนขวายที่จะให้พระเนนได้รับความสะดวกในปัจจัยสี่และกิจการใหญ่โตที่ขวางหน้าอยู่ให้สําเร็จไปด้วยดีและมีเกียรติโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยและสิ้นเปลืองใดๆทั้งสิ้นพระมากมายที่มากราบนมัสการเยี่ยมศพท่านอาจารย์ในระหว่างก่อนจะถึงวันงานเป็นเวลาสามเดือนและพระเนนอยู่ประจําเพื่อดูแลกิจการจํานวนเป็นร้อยขึ้นไปพี่น้องทั้งหลายไม่ได้ยอดอ่อท้อ ทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยจางพร้อมใจกันมีสถาใสบาดจนกว่าพระเนจรนนมากจะผ่านไปหมดทุกองค์แทบเป็นลมแม้เช่นนั้นก็ไม่ยอมลดละความเพียรคงพร้อมกันพยายามโดยสม่ำเสมออาหารวินทบาตไม่เคยบกพร่องเลยมีจะเหลือเฟือตลอดสายไม่ว่าพระเนจจะมาเพิ่มมากเพียงไรไม่มีวิตกวิจารณ์ว่าอาหารจะบกพร่องขาดเขินผู้เขียนเห็นด้วยตาตัวเองตลอดงาน จึงอดที่จะจารึกความดีงามและความพร้อมเพรียงสามัคคีของพี่น้องลงสู่จิตใจอย่างลึกไม่มีวันหลงหลืมมิได้ผู้เขียนไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้เห็นความอดทนความทนทานความเสียสละทุกด้านของพี่น้องดังกล่าวขนาดนี้พอเห็นแล้วถึงจำถึงใจจำติดตาติดใจไม่ลืมเลยจึงขอชมเชยสรรเสริญพี่น้องชาวสกนครเราไว้ในที่นี้ด้วยว่าเป็นสถาแม่เล็ก ไม่มียอ่อย่อนอ่อนกำลังต่อภาระหน้าที่ทุกด้านในการนี้ผู้เขียนมีความอบอุ่นไว้วางใจอย่างฝังลึกตลอดมานับแต่ได้เห็นเหตุหการณ์สาคัญครั้งนั้นมาแล้วด้วยตาตัวเองจึงขอจารึกไว้ในใจตลอดจนอวสานไม่มีวันหลงลืมเลยพระเนนที่มาช่วยดูแล ง, งานที่ควรทําเพื่อเตรียมรับท่านที่มาในงานโดยมีคารวาสญาตโยมเป็นแรงงานก็น่าเห็นใจทั้งสองฝ่ายเพราะเพียงระหว่างที่ยังไม่ถึงวันงาน ก็มีพระเนนมากอยู่แล้วยิ่งถึงวันงานเข้าจริงๆใต้กะการกันไว้ว่าทั้งพระเนนและคาวาที่จะมาในงานนี้ต้องเป็นจำนวนหมื่นขึ้นไปฉะนั้นจําต้องพากันเตรียมจัดทำประลมต่างๆทั้งที่พักทั้งโรงครัวไว้มากเท่าที่จะมากได้เพื่อความสะดวกในงานซึ่งเป็นงานใหญ่และมีประชาชนจะมาร่วมเป็นจำนวนมากโดยเริ่มงานตั้งแต่ท่านเริ่มมรณภาพไปจนถึงวันงานก็พอดี พอจวนวันงานจะมาถึงพระเนนและประชาชนนับวันหล่างไหลมาทุกทิศทุกทางทั้งใกล้ทั้งไกลจนเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับแทบเป็นลมรับไม่วาดไม่ไหวจวนวันเข้าเท่าไรา ย, ยิ่งล้นไหลกันมาจนหาที่พักให้ไม่ได้พอกับจำนวนคนและพระเนนที่มาพอถึงวันงานเข้าจริงๆบริเวณวัดทั้งคูดีทั้งฝ่าก้องกว้างในวัดเต็มไปด้วยพระเนนที่บรรดาที่ต่างๆมองดู กดขาวเปี้ยไปทั้งป่าเฉพาะภายในวัด ส, สุทธาวาสมีพระเนนทั้งหมดในวันงานกว่าแปดร้อยที่พักอยู่ตามวัดต่างๆพอไปมาหาสู่งานได้สะดวกมีจำนวนมากพอดูเมื่อรวมพระเนนที่มาในงานทั้งพักในวัดและนอกวัดมีจำนวนกว่าหนึ่งพันรูปส่วนครวาดญาติโยมที่พักอยู่ในวัดก็นับไม่ไหวเพราะเหลือหูเหลือตาที่จะนับอ่านได้ที่พักอยู่ตามร่มไม้ทุ่งนาก็มีแยะ ที่พักอยู่ในตัวเมืองก็มากตามโรงแรมต่างๆเต็มไปหมดจนไม่มีโรงแรมให้พักพอกับจํานวนคนเวลามารวมในงานแล้วนับไม่ได้เพียงค่าคะเนเอาประมาณหลายหมื่นแต่แปลกและน่าอัศจรรย์อยู่อย่างหนึ่งที่ไม่มีเสียงดังสมคนมากมายเหมือนงานทั้งหลายที่เคยมีกันได้ยินเฉพาะเครื่องกระจายเสียงที่ทําการโฆษณาประจํางานในเรื่องต่างๆซึ่งเกี่ยวกับงานของวัดเท่านั้น วันนี้ไม่มีมหรสพครบงานใดๆทั้งสิ้นเพราะเป็นงานกรรมฐานล้วนๆเครื่องธยทานที่ประชาชนต่างมีศรานามาสมโพธิโมทนาช่วยเหลือในงานนี้อยากจะพูดว่ากองเท่าภูเขาลูกเย่อยๆเรานี่เองข้าวกี่ร้อยกระสอบอาหารกี่สิบกี่ร้อยรถยนต์ที่ทางท่านต่างคนมามาด้วยกําลังศรัทธาอย่างไม่อัดไม่อัน้นผ้าที่นํามาเพื่อถวายบางสกุลอุทิศสวนกุศลถวายท่านอาจารย์ก็อยากจะพูดว่า กองใหญ่ยิ่งกว่าโรงงานทอผ้าเสียอีกซึ่งผู้เขียนก็ไม่เคยไปเห็นโรงงานทอผ้าเลยไม่ทราบว่าใหญ่โตขนาดไหนแต่กองผ้าของคณะสท้าทั้งแผ่นดินที่ต่างท่านต่างนํามานี้รู้สึกมากกว่านั้นจึงกล้าเดาด้วยความกล้าหาญไม่กลัวผิดตอนนี้ขออภัยท่านผู้อ่านมากๆด้วยผู้เขียนชักเพอ้อไปเพราะความภูมิใจในทายาทานของท่านนักใจบุญทั้งหลายไม่นึกว่าคนไทยเราจะเป็นนักใจบุญถึงขนาดนั้น เห็นเครื่องแสดงนักใจออกมาแล้วจึงอัศจรรย์ท่านศรัทธาทั้งหลายมาจนบัดนี้ว่าคนไทยเราเป็นนักเสียสระนักสังฆาหวัตถุคือนักให้ทานอย่างไม่อัน้นไม่เสียดายฉะนั้นเมืองไทยเราแม้จะเป็นเมืองเล็กในสายตาของเมืองใหญ่ทั้งหลายแต่การเสียสระให้ทานด้วยศรัทธาและด้ยวยความเมตตานี้แม้แต่เมืองใหญ่ๆก็สู้ไม่ได้สมกับเมืองไทยเป็นเมืองพุทธศาสนาที่สั่งสอนคนให้มีความเมตตาต่อกัน เมืองไทยเราจึงเป็นเมืองของคนมีอัธยาศัยกว้างขวางไม่คับแคบติดตันตลอดมาแต่ดึกดำบรรพงานนี้ก็เช่นกันเป็นงานที่สมบูรณ์พลผลเสียทุกอย่างจากบรรดาสทาผู้เสียสละทั้งหลายต่างมาบริจาคให้ทานอย่างไม่อัน้นหม้อข้าหม้อแกงอาหารคาวหวานต่างๆเห็นแล้วเลยน่ากลัวมากกว่าจะน่าฉันเพราะใหญ่ตัวมากหิ้วคนเดียวไม่ไหวต้องช่วยกันหิว้วหรือหามเข้ามาสู่ปรารถที่พระท่านฉัน ทำเลที่ฉันต้องจัดหลายแห่งแห่งละประมาณ 30-40 องค์บ้าง 50-60 องค์บ้า น, านทั่วไปหมดตามคุีพระเถระบ้างแห่งละ 9-10 องค์แต่สะดวกในการจัดแจกอาหารที่ไม่ต้องจัดสำรับให้วุ่นวายและสิ้นเปลืองสำรับและถ้วยชามเพราะมีแต่พระกรรมฐานเสียมากราว 90% ที่ต้องจัดสำรับถวายก็มีพระผู้ใหญ่ฝ่ายปกครองและพระผู้ติดตามไม่มากนะัก เมื่อยกหม้อข้าวหม้อแกงถวายพระท่านแล้วก็จัดใส่บาตรกันเองข้าวหวานรวมลงในบาตรใบเดียวเท่านั้นเพราะปกติท่านเคยฉันสํารวมอยู่แล้วอาหารมีมากจนเหลือเฟือตลอดงานไม่มีอดยาขาดแคลนเลยด้วยอํานาจศรัทธาของพุทธศาสนิกชนและอำนาจบารมีท่านอาจารย์มั่นท่านคุ้มครองรักษาไม่เคยปรากฏว่ามีการเดิมเล่าเมาสุราและทะเลาะวิวาทฆ่าตี และโฉกลักขโมยปล้นจีสิ่งของของกันละกันเลยเมื่อเก็บสิ่งของที่มีผู้ทําตกหายได้ก็นําไปมอบกองโฆษณาให้ประกาศหาเจ้าของถ้าเป็นสิ่งของมีค่าผู้โฆษณาไม่บอกรูปลักษณะเป็นเพียงประกาศให้ทราบว่าของมีค่าของท่านผู้ใดตกหายเชิญมาติดต่อแสดงหลักฐานที่กองโฆษณาถ้ารูปลักษณะตรงกันแล้วก็มอบให้เจ้าของไปถ้าเป็นสิ่งของธรรมดาก็บอกชื่อสิ่งของ หรือรูปลักษณะให้เจ้าของมารับเอาไปถ้าเป็นเงินก็บอกแต่เพียงว่าเงินตกหายไม่บอกจํานวนหรือสิ่งบรรจุเงินเช่นกระเป๋าเป็นต้นให้เจ้าของมาบอกจํานวนและสิ่งของบรรจุเอาเองเมื่อบอกได้ถูกต้องก็มอบให้เจ้าของไปตามธรรมเนียมงานนี้มีสามคืนกับสี่วันและงานนี้เป็นงานที่แปลกและอัศจรรย์เป็นพิเศษคือคนมามากมากแต่ไม่มีการส่งเสียงหนึ่งไม่ทะเลาะวิวาดฆ่าตีกันหนึ่ง ไม่มีการขโมยของกันล้วงกระเป๋ากันหนึ่งเก็บสิ่งของมีค่าได้ยังอุตสานำไปมอบให้เจ้าหน้าที่กองโฆษณาหนึ่งไม่มีคนดื่มเหล้าเมาสุรามาอารวาดเกะกะในบริเวณงานหนึ่งพระเนรก็สงบเสงียมงามตาหน้าเคารพเริ่องสายหนึ่งแต่ละข้อยากจะมีในงานหนึ่งหนึ่งจึงอดจะเรียกว่าเป็นงานแปลกมิได้ตอนกลางคืนราวสองทุ่มมีการสวดมนต์และมาติกาบาสุุนถวายท่านทุกคืน และมีการแสดงธรรมทุกคืนตอนเช้าหลังจากฉันเสร็จแล้วมีการมาตีกาบรรสกุลไปเรื่อยๆไม่ค่อยมีกำหนดเวลาตายตัวนะเพราะศรัทธาและพระเนนมีมากถ้าจะรอทำตามเวลาคงไม่ทันกับเหตุการณ์ดังนั้นจึงเปิดโอกาสให้ตามแต่ท่านผู้ใดจะมีสธานิมนต์พระมากน้อยได้ตามกำลังและเวลาที่ต้องการการนิมนต์พระต้องผ่านทางกองโฆษณาธรรมหน้าที่แทนถ้าจเที่ยวตามนิมนต์เป็นไม่เจอพระองค์ที่ต้องการ เพราะพระมากกว่ามากที่จําต้องนิมนทางเครื่องกระจายเสียงโดยเห็นว่าเป็นความสะดวกกว่าเพราะรายชื่อของพระเนนที่มาในงานทางกองบัญชีพระได้จดชื่อและฉายาท่านไว้พร้อมแล้วแต่ขณะท่านมาถึงวัดทีแรกทางนี้เนื่องจากกองโฆษณาได้ประกาศอยู่เสมอว่าพระเนนอคันดุกะที่เข้ามาในงานขอนิ้มนไปแจ้งรายชื่อและฉายาที่กองโฆษณาทุกรูปไปมีเจ้าหน้าที่เตรียมรอคอยอยู่พร้อมแล้ว เพื่อทราบจำนนพระเนนที่มาในงานนี้เวลานิมนต์ในกิจธุระจะได้ถูกกับชื่อและฉายาของพระเนนองนั้นนนั้การบินทบาทของท่านในงานนี้นอกจากวันงานท่านไปตามหมู่บ้านต่างๆแถวนั้นและไปในเมืองวันงานคณะสตาทั้งหลายอาราทธนานิมน์ท่านรับบินทบาทตามบริเวณงานนอกวัดบ้างในวัดบ้างหลายแห่งที่สต า, าเตรียมไสบาทท่านงานนี้ท่านทําพิธีเปิดมีกําหนดสามคืนกับสี่วัน ซึ่งเริ่มแต่วันขึ้น10บข้ามเดือนสาถวายชาปวงกิจศพท่านคืนของวันขึ้นสิบสามค่ำราวออกทุ่มพอรุ่งเช้าของวันขึ้นสิส่ค่ำก็เป็นวันเก็บอัธิท่านส่วนวันที่และเดือนอะไรนั้นจําไม่ค่อยได้กรุณานําไปเทียบกับปฏิทินร้อยปีอาจพอทราบได้การดําเนินงานเกี่ยวกับมาติกบบาบังสกุลอุทิศถวายท่านนั้นเริ่มมาแต่วันเริ่มงานเรื่อยมาทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีกําหนดตายตัว ดางที่เรียนมาบ้างแล้วเพราะท่านที่ศรัทธาจะถวายบางสุคุลมีมากต่อมากจะรอให้ทาําตามกำหนดเวลารู้สึกไม่สะดวกเพราะท่านที่มาในงานโดยมากมาจากที่ไกลไกลกันทั้งนั้นเมื่อมาถึงควรจะทําได้เมื่อไรควรเปิดโอกาสให้บําเพ็ญตามความสะดวกท่านผู้ใดต้องการพระหรือเนนจำนวนเท่าไรก็ติดต่อกับหน่วยโฆษณาให้อรัตนานิมนต์ให้รู้สึกเป็นความสะดวกและได้ถือปฏิบัติตนองนี้ตลอดงาน ส่วนเมนเป็นที่บรรจุศพท่านได้จัดขึ้นในบริเวณที่พระบวสถอยู่เวลานี้รู้สึกสวยงามมากสมเกียรติทำเป็นจตุรมกุกมีลวดลายแปลกประหลาดมากผู้เขียนไม่ชำนาญในรูปลักษณะตลอดชื่อของลวดลายต่างๆที่ในช่างผู้ชำนาญงานทำถวายท่านถ้าจำไม่ผิดวันขึ้นสิบเอ็ค่ำเป็นวันอรัธนาท่านไปสู่เมนก่อนหน้าเล็กน้อยบรรดาลูกศิษย์ทั้งพระและประชาชน ได้พร้อมกันทําวัดขอเข้ามาโทษท่านเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นก็อาราธนาไปสู่เมนตอนนี้คงอดทนไม่ไหวได้เกิดโกลาหวนวุ่นวายกันขึ้นอีกชนได้คราวนี้เป็นคณะลูกศิษย์ฝ่ายครว่าต์หญิงชายพอเริ่มอาราธนาท่านเคลื่อนที่ไปสู่เมนต่างมีอากาศกิริยาที่ไม่ค่อยแจ่มใสขึ้นมาในขณะนั้นนามหูน้ํามตาเกเรยาเศร้าโศกและเสียงร้องไห้เรื่องแสดงออกเป็นลาดับนับแต่ขณะท่านเคลื่อนจากที่ไปสู่เมน รู้สกปุ่นวายสับสนพอดูในส่งคมแห่งความวิโยกแพกจากไปแห่งท่านผู้มีบุญหนาเมตารามหาสมุทรสุดขอบเขตไม่มีประมาณบรรดาลูกศิทย์บริวารต่าง ร, องร้องไห้ด้วยความอาลัยเสียดายเพราะครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายในการพดพกจากร่างกายหายสูญความสมุตรที่เคยก่อพบก่อชาติพาให้ไดนาว่าเกิดแก่เจ็บตายต่อกันเป็นสายยาวเวยด็ดไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลาย ท่านอาจารย์ได้ทำลายกงกรรมของวัตจักเสียสิ้นแล้ววัดนี้ก้าวผอสูมืองแก้วอันประเสริฐคือพระนิพพานไม่มีวันกลับมาวุ่นวายกับกองสังขารอันเป็นสถานที่หลังน้ำตายอีกต่อไปบรรดาลูกศิษย์ที่ร้องไห้ถึงท่านครั้งนี้เพราะความเคารพรักเสียดายที่ได้เคยประสิทธิ์ประสาทรมโสดสงปร ะ, ประพมดวงใจให้ใหายง่วงเหงาเมามั ว, มวพอมีสติระลึกบาปบุญได้ก็ระลึกถึงพระคุณท่าน อยากได้ไว้เป็นแก้วบูชาเป็นขวัญตาขวัญใจต่อไปอีกต่อเมื่อสุดวิสยจะห้ามได้จึงขอถวายน้ำใจเป็นความอาลัยรักด้วยน้ำตาเป็นเครื่องสักการบูชาว่าคณะลูกศิษย์เหล่านี้บุญน้อยแต่ยังมีวาสนาบา ร, รมีได้มาพบเห็นในคราวพระปราจาปายของท่านผู้ทรงมหาคุณบุญหลักศักยิ่งเป็นผู้สิ้นกิเลสถึงความวิเศษศักดิ์สิทธิ์สมัยปัจจุบันที่แสนหาดายา ม น, น, นานถึงจะได้พบเห็นเป็นขวัญตาขวัญใจที่ใฝ่ฝันมานานสักองค์หนึ่งแม้ท่านได้ผ่านพ้นกองทุกข์ในสงสารถึงพระนิพพานอันเป็นบรมสุขแล้วก็ขออาราธนาเมตตาโปรดโสดสงบนสัตว์ผู้ยากจนซึ่งกําลังตกอยู่ในความสุดวิสัยได้แต่พาคันร้องไห้พิไรลําพันถึงอยู่เวลานี้บ้างเถิดเจ้าพระกลบุญรนฝังซึ่งฝังเพชรไว้ในหัวใจเมื่อใดพวกข้าพเจ้าทั้งหลายจะพอมีทางรอดตะคายแห่งมาร ได้มีวาสนาถึงพระนิพพานตามพระคุณท่านก็ไม่มีทางทราบได้เพราะกรรหนักกรรหนาเกิดมาอาภัพวาสนาจึงเพียงได้มาชมบารมีพระคุณท่านเป็นขวัญใจบูชาไว้ด้วยน้ําตาดังที่เป็นอยู่ขณะนี้แหละเหล่านี้เป็นคําร้องให้เพียงบอลปรารถนาของพุทธบริษัททั้งหลายที่แสนอาลัยเสียดายในความพัดพรากจากไปของท่านจนศพท่านที่อาราธนาเข้าสุเมรุเป็นที่เรียบร้อยแล้วอาการที่หน้า เวทนาสงสารเหล่านั้นจึงค่อยๆสงบลงพอได้เวลาที่กำหนดไว้หกทุ่มคือเที่ยงคืนก็พร้อมกันเริ่มถวายเพลิงจริงแต่ผู้คนในขณะนั้นประหนึ่งจะล้นแผ่นดินแออาจยัดเยียดเบียเศษกันจนจะหาทางเดินไม่ได้เพราะต่างคนต่างมุ่งอยากดูอยากเห็นท่านในวาระสุดท้ายเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ใจไปนานฉะนั้นจึงพากันเฝ้ารออยู่จนถึงเวลาที่กาหนดไว้พอถึงเวลาถวายเพลิงท่านจริง ขณะนั้นปรากฏมีเมฆก้อนหนึ่งขนาดย่อมๆไหลายผ่านเข้ามาและโปรยละอองฝนลงมาเพียงเบาๆพร้อมกับขณะที่ไฟเริ่มแสดงเปลวและโปรยอยู่ประมาณสิห้านาทีเมฆก็ค่อยๆจางหายไปในทถ้ำกลางแห่งความสว่างแห่งแสงพระจันทร์ข้างขึ้นจึงเป็นที่น่าประหลาดและอัศจรรย์อย่างสุดจะฆ่าดจะเดาได้ถูกว่าทามาจึงดนบันดาลให้เห็นเป็นความแปลคูแปลกตาขึ้นมาในทถ้ำกลางความสว่างแห่งแสงเดินเช่นนั้น เพราะปกติฟ้าก็แจ้งขาวดาวสว่างในฤดูแรงธรรมดาเราดีๆนี่เองแต่พอถึงเวลาเข้าจริงๆมีเมฆลอยมาและมีละอองฝนโปรยปลายลงมาทำให้แปลกตาสะดุดใจและนึกไว้ไม่ลืมจนบัรนี้เหตุการณ์ท้งนี้บรรดาท่านที่อยู่ในวงงานขณะนั้นไม่มีใครกล้าปฏิเสธได้ว่าไม่จริงเรื่องไม่ได้เป็นไปในทางนั้นเป็นแต่ผู้เขียนอุตริขึ้นมาเอง เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ผู้เขียนประสบมาเองอย่างประจักษ์ตาและสะดุดใจตลอดมาพอท่านที่อยู่ในวงงานขณะนั้นได้อ่านตอนนี้อย่างไรต้องเพิ่มความจำและความสะดุดใจขึ้นมาในทันทีว่าเหตุการณ์ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆการถวายเพลิงท่านไม่ได้ถวายด้วยเฟินหรือฐานดังที่เคยทำกันมาแต่ถวายด้วยไม้จันที่มีกลิ่นหอมซึ่งพระราสิทธิท่านผู้เคารพเคื่องสในท่านสั่งว่าจากฝั่งแม่น้ำขงประเทศลาวเป็นพิเศษ จนเพียงพอกับความต้องการและผสมด้วยธูปขอมเป็นเชื้อเพลิงตลอดสายผลเป็นความเรียบร้อยเช่นเดียวกับที่เผาด้วยฟืนรุ่ยานนับแต่ขณะเริ่มถวายเพลิงท่านได้มีกรรมการทั้งพระและครวญคอยดูแลกิจการอยู่เป็นประจำตลอดงานนั้นและมีการรักษาอยู่ตลอดไปจนถึงเวลาเก็บอัติท่านเวลาเก้านาฬิกาของวันรุ่งขึ้นก็เริ่มเก็บอัติท่านและแจกไปตามจังหวัดต่างๆที่มีผู้มาในงานนี้ เพื่อนําไปเป็นสมบัติกลางโดยมอบกับพระในานามของจังหวัดนั้นเชิญไปบรรจุไว้ในสถานที่ต่างๆตามแต่จะเห็นควรส่วนประชาชนก็มีการแจกเหมือนกันแต่คนมากกว่ามากไม่อาจปฏิบัติได้โดยทั่วถึงเท่าที่จําได้ผู้มาในานามของจังหวัดนั้นๆและได้รับแจกอัธิษฐานไปมี20ิกว่าจังหวัด ต, ตอนเก็บอัธิษฐานเพิ่งผ่านไปนั้นก็น่าสงสารประชาชนอย่างพูดไม่ออกบอกไม่ถูกอีกกว่าร้าหนึ่ง ซึ่งทำให้ประทับตาประทับใจยอย่างมากคือพอคณะกรรมการเก็บอธิท่านเก็บอธิท่านเสร็จเรียบร้อยลงเท่านั้นผู้คนชาหญิงต่างโฉลมวุ่นวายกันเข้าเก็บกวาดเอาเท่าระทานที่เศษเหลือจากที่เก็บแล้วไปสักการบูชาได้คนละเล็กละน้อยจนสถานที่นั้นเตียนเกลี้ยงยิ่งกว่าล้างด้วยน้ําและเช็ดถูให้เกลี้ยงเสียอีกพอได้ออกมาต่างคนต่างยิ้มแย้มแมจ่มใสดีใจ ย, ยังบอกไม่ถูก เหมือนตัวจะเหาะลอยในขณะนั้นมองดูในมือต่างคนต่างกำรรแน่นราวกับจะมีใครๆมาแย่งชิงเอาดวงใจในกำ ม, มือไปเสียฉะนั้น